3. ปัญหาปุจฉกะเจ็ปฏิสัมพิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทาสนิรุตติปฏิสัมพิทา4ปฏิภาณัปปฏิสัมพิทาติกะมาติกาปุจฉาทุกะมาติกาปุจฉาเจ็้อยสีบรรดาปฏิสัมพิทาส ปฏิจัมพิทาเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้เท่าไรไม่เป็นเหตุใหสัตว์ปรองให้ 1. ติกะมาติกาวิจัชนา 1-22 กุศลติกาที่วิจัชนาเจ็ปฏิจัมพิธาสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤตก็มี ปฏิสัมพิทาสที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอัตุขมสุขเวทนาก็มีปฏิสัมพิทาสาที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอัตถปฏิสัมพิทาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี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 กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอัฏฐปฏิสัมพิทาที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีปฏิสัมพิธาสมีทั้งวิตกและวิจารณ์อัฏฐปฏิสัมพิธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มี ท, ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มี ที่ไม่มีทั้งมิตรกและวิจารณ์ก็มีปฏิสัมพิทาสที่ถรคตด้วยปีติก็มีที่ถรคตด้วยสุขก็มีที่ถรคตด้วยเบิกขาก็มีปฏิสัมพิทาสไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาปฏิสัมพิทาสไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม ปฏิสัมพิธาสที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีอัตถปฏิสัมพิธาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีปฏิสัมพิธาสไม่เป็นของเสกบุคคลและอาสะบุคคล อัฏฐปฏิสัมพิทาที่เป็นของเสกขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกขบุคคลและอเสขบุคคลก็มีปฏิสัมพิทาสเป็นปริตตะอัฏฐปฏิสัมพิทาที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นอปปามานะก็มีนิรุตติปฏิสัมพิทามีปริตตะเป็นอารมณ์ปฏิสัมพิทาสาม ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีปฏิสัมพิทาสามเป็นชั้นกลางอัตถะปฏิสัมพิทาที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณิกก็มีปฏิสัมพิทาสาให้ผลแน่นอนอัตถะปฏิสัมพิทาที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มี ที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีนิรุตติปฏฐฐฐฐฐิสัมพิทากล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิบดีอัธปฏิสัมพิทาไม่ใช่มีมักเป็นอารมณ์ที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นเหตุ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 อัตถปฏิสัมพิทาที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีปฏิสัมพิทาสที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีนิรุตติปฏิสัมพิทามีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ปฏิสัมพิทาสองที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี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 ปฏ φ, sí, gegangen, Kumar, competitive competitive ิจัมพิทาสี่ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีนิรุตติปฏิจัมพิทามีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ปฏิจัมพิทาสามที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี ปฏิจสมพิทาสีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนาะ 1. เหตุกโคจัชะกาวิสัชนาะ750ปฏิจัมพิทาสีเป็นเหตุปฏิจัมพิทาสีมีเหตุปฏิจัมพิทาสีสัมพยุด้วยเหตุปฏิจัมพิทาสีเป็นเหตุและมีเหตุ ปฏิสัมพิทาสี่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ 2. จุรันตะระทุกขวิัชนาะปฏิสัมพิทาสี่มีปัจจัยปรุงแต่งปฏิสัมพิทาสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปฏิสัมพิทาสี่เห็นไม่ได้ ปฏิสัมพิทาสี่กระทบไม่ได้ปฏิสัมพิทาสี่ไม่เป็นรูปปฏิสัมพิทาสามเป็นโลกิยะอัตถปฏิสัมพิทาที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีปฏิจัมพิทาสี่จิตบางดวงรู้ได้ปฏิสัมพิทาสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจัตชะกบิสัชฉนาปฏิจัมพิทาสไม่เป็นอาสวะปฏิตัมพิทาสเป็นอารมณ์ของอาสวะอัตถปฏิสัมพิทาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีปฏิจสมพิทาสวิปยุตจากอาสวะปฏิสัมพิทาสาม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 ปฏิสัมพิธา4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะปฏิตัมพิธาสว mm. ิปยุทธจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอัตถปฏิสัมพิธาที่วิปยุทธจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุทธจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4ถึง12สัญโยชนะโคจัชากาทิวิสัชนาะปฏิจสมพิทาสีไม่เป็นสังโยกไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณไม่เป็นปรามาปฏิจสมพิทาสีรับรู้อารมณ์ได้ปฏิจสมพิทาสีไม่เป็นจิตปฏิจสมพิทาสีเป็นเจตสิก ปฏิสัมพิทาสีสัมปยุทธ์ด้วยจิตปฏิสัมพิทาสีระคนกับจิตปฏิสัมพิทาสีมีจิตเป็นสมุดฐานปฏิสัมพิทาสีเกิดพร้อมกับจิตปฏิสัมพิทาสีเป็นไปตามจิตปฏิสัมพิทาสีระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานปฏิสัมพิทาสี รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตปฏิสัมพิทาสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตปฏิสัมพิทาสี่เป็นภายนอกปฏิสัมพิทาสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปปฏิสัมพิทาสี่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ปฏิจสมพิทาสีไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. ปิติทุกกะวิจัชนาะปฏิจสมพิทาสีไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักปฏิจสมพิทาสีไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสปฏิจสมพิทาสีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ปฏิจัมพิทาสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเปื้องบนสาปฏิจัมพิทาสี่มีวิตกอัฏฐปฏิสัมพิทาที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีปฏิสัมพิทาสา ม, มีวิจารณ์อัฏฐปฏิสัมพิทาที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีปฏิสัมพิทาสี่ ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีปฏิสัมพิ variety, ทาสี่ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ fullness. ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีปฏิสัมพิทาสี่ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีปฏิสัมพิทาสี่ที่สหรคตด้วยเบคขาก็มี ที่ไม่สะห be รคตด้วยเบกขาก็มีปฏิสัมพิธาสเป็นกามาวจรอัฏฐปฏิสัมพิธาที่เป็นกามาวาจรก็รรมีที่ไม่เป็นกามาวาจรไม่เป็นรูปาวาจรและไม่เป็นอรูปาวจรก็มีปฏิสัมพิธาสนับเนื่องในวัตทุกข์อัฏฐปฏิสัมพิธาที่นับเนื่องในวัตทุขก็มี ที่ไม่นับเรื่องในวัตถุกก็มีปฏิสัมพิธาสไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุกอัฏฐปฏิสัมพิธาที่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุกข็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุกข์ก็มีปฏิสัมพิธาสให้ผลไม่แน่นอนอัฏปฏิสัมพิธาที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มี ปฏิสัมพิธาสามีธรรมอื่นยิ่งกว่าอัฏฐปฏิสัมพิธาที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีปฏิสัมพิธาสี่ไม่เป็นเหตุให้สร้องไห้ชะนี้แลปัญหาปุจฉกะจบปฏิสัมพิธาวิพังจบบริบูรณ